พ่อไปเทศที่เชียงใหม่สารธรรร้ า, านน้าคนพอฟังธรรมะนะซ้ำๆได้ผลนะ mm hmm. คือไม่ใช่แค่ภาวะแห่งความตื่นนะ mm hmm. แต่สามารถแยกธาตุแยกขันได้จิตที่แยกธาตุแยกขันได้จิตต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ก่อนให้มีสติ รู้ธาตุรู้ขันมีจิต ท, ที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขันมันถึงจะแยกออกจากกันจะเห็นกายส่วนกายจิตส่วนจิตก็แยกกันเมื่อตอนก็กายกับจิตก่อนต่อมาก็แยกออกไปอีกเป็นเวทนาเป็นสังขารถ้าแยกออกได้ก็จะเห็นธาตุเห็นขันเขาทางานบางคนเนี่ยแยกละเอียดยิบเลยอย่างร่างกายก็แยกเป็นธาตุต่อไปอีก ตัวรูปปรเนี่ยแยกออกเป็นธาตุทิงธาตุดินธาตุไฟธาตุลมธาตุน้ำธาตุน้ำดูยากที่สุดธาตุน้ำรู้ด้วยใจธาตุดินธาตุไฟธาตุลมรู้ด้วยร่างกายอย่างเราคิดพิจารณาผมเป็นดินนี่รู้ธาตุดินไหมคิดพิจารณาผมว่าเป็นดินถือว่าเป็นการรู้ธาตุดินไหม เห็นไหมเอ่ยไม่เป็นเพราะธาตุดินรู้ด้วยร่างกายคิดพิจารุรู้ด้วยใจคิดพิจารณาธาตุดินผมเป็นธาตุดินอะไรเงี้ยเป็นสมถะกรรมฐานรู้ไม่ได้ด้วยสภาวะแท้แท้อายตนะแท้แท้ที่จะใช้รู้ธาตุดินนั่นคือกายนี่บางคนละเอียดบางคนไม่ต้องละเอียดขนาดนี้ก็ได้ส่วนใหญ่ไม่ละเอียดถึงขนาดนี้หรอกที่ภาวนากันจริงๆ คนทุกข์ร้อนกันจริงๆแค่เห็นเส้นผมไม่ใช่ตัวเราขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกไม่ใช่ตัวเราดูลงเป็นอนัตตาไปเห็นมันไม่มีไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเราแค่นั้นก็ยังได้เลยดูความไม่เที่ยงดูยากหน่อยตัวรูปมันอายุยืนจะดูว่าเส้นผมไม่เที่ยงจะไม่ให้เจือด้วยการคิดเนะี่ยยาก ถ้าเจอด้วยการคิดวนะ่าผมแต่ก่อนดำเดี๋ยวนี้ขาวอะไรผมแต่ก่อนสั้นเดี๋ยวนี้ยาวเจอด้วยการคิดยังไม่ชื่นวิปัสสนาไม่ใช่วิปัสสนายังดูรูปให้เห็นอนิจจังดูยากเพราะรูปมันอายุยืนประจิตส่วนมากก็จะเบี่ยงไปดูรูปข้างเฉียงอย่างรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอน รูปยืนเดินนั่งนอนรูปหายใจออกหายใจเข้าอันนี้ไม่จัดว่าเป็นรูปแท้รูปแท้เป็นธาตุดินน้ำไฟลมมีสีมีกลิ่นอะไรพวกนี้เป็นรูปแท้รูปข้างเคียงเช่นรูปยืนเดินนั่งนอนก็ไม่จัดเป็นรูปแท้ในตำรา บ, บอกเอาไว้ทํำวิปัสสนาไม่ได้จะไปดูรูปไม่ได้ไม่ได้จริง พลิกอีกมุมหนึ่งนะดูเป็นอนัตตาได้ไหมได้ดูเป็นอนัตตาได้กะเห็นเนะีตัวที่เคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่ตัวเราตัวที่นั่งอยู่ไม่ใช่ตัวเราคือการเจริญปัญญาการทำวิปัสสนาเนี่ยไม่ใช่อะไรที่ลึกลับเลยหรอกมันคือการฝึกจิตให้มองต่างมุมเดิมจิตเนี่ยเคยมองแต่ว่ามีตัวเรามีตัวเรามองอย่างนี้อยู่ตลอดเวลา เรามาฝึกจิตให้หัดมองต่างมุมให้เห็นความจริงว่าขันไม่ใช่ตัวเราขันห้าไม่ใช่ตัวเราหัดดูไปเรื่อยเบื้องต้นก็ช่วยมันคิดหน่อยหนึ่งก็ได้สําหรับบางคนซึ่งชาติก่อนก่อนไม่เคยเดินปัญญามาคนถ้าไม่เคยเจริญปัญญามาแต่ปางก่อนเคยจะทำสมาธิพอจิตมีกำลังจิตตั้งมั่นขึ้นมาขนาดจิตตั้งมั่นแล้วนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นแล้วนะ มันยังไม่ยอมดูธาตุดูขันทำงานเลยไม่ก็ตื่นอยู่เฉยๆว่างอยู่เฉยๆจิตอย่างนั้นใช้ไม่ได้จิตไม่เดินปัญญาถ้ามันไม่เดินปัญญาแลาต้องช่วยมันพิจารณาช่วยมันคิดคิดนำให้มันหัดมองต่างมุมดูบ้างร่างกายนี้ไม่เที่ยงนะร่างกายเป็นทุกข์ร่างกายไม่ใช่ตัวเราสอนมันพอมันหัดมองต่างมุมพอมันชานาญในการมองต่อไปมันมองเอง ตรงที่พามันมองเนี่ยยังไม่ขึ้นมีปั ส, สนาตรงที่มันมองได้เองนะถึงจะเป็นมีปั ส, สนาเนะฉนั้นบางคนถ้าอินทรีย์แก่ไม่แก่กล้านะช่วยเหมือนพิจรารณาถ้าอินทรีย์แก่กล้าจริงนะมันจะขันมันแตกออกไปเลยนะพอจับตัวผู้รู้ได้แล้วขันจะแตกออกไปนะเคยมีโยมคนหนึ่งไปเรียนจากครูบาอาจารนยนะ์เรียนตอนเช้าตอนเย็นนะขันแตกออกมาแนละ้ว ตัวผู้รู้ก็ตัวผู้รู้ทำมาได้แต่เด็กทําสมถะทาลมหายใจหายใจเข้าพูดหายใจออกโตนับหนึ่งอะไรเงี้ยนี่จิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่แต่ตอไม่เป็นไม่รู้จะเดินปัญญาอย่างไรก็ไปอยู่แค่นั้นเองไปเจอครูบาอาจารย์ท่านสอดมาให้ไปดูจิตต่อเขจะมาดูจิตมาดูจิตต้องอยู่ในร่างกาย ก็เห็นร่างกายเลยดูซิจิตอยู่ตรงไหนอยู่ในผมไหมในขนเล็บฟันหนังดนกระดูกไหมไล่ไล่ไล่ไปได้วยสุดท้ายร่างกายก็แยกไปอยู่ส่วนหนึ่งเพราะจินเป็นผู้รู้อยู่แล้วพอไปดูกายเข้าจงใจมาดูกายนัก็เห็นกายแยกออกไปอยู่ต่างหากมาดูเวทนาก็เห็นเวทนาแยกออกไปอยู่ต่างหากมาดูสังขารความปรุงต่างๆของจิตก็แยกออกไปอยู่ต่างหากกร ะ, ะทั่งเรื่องราวที่คิดนะ คิดอย่างคิดบทสวดมนต์พุทโธสุสุทโทรโธกรุณามห ah oh, ันตนโวคิดบทสวดมนต์นี่จิตเป็นคนรู้ขึ้นมาความคิดกับจิตจะแยกออกจากกันพราะจิตกับความคิดแยกออกจากกันได้นะตัวรู้มันก็ผุดขึ้นมาอีกเป็นตัวรู้ที่มีคุณภาพมากไม่ใช่รู้อยู่เฉยๆด้วยคราวนี้รู้เราเห็นขันทํางานได้แต่ถ้าพอเรามีตัวรู้แล้วเห็นขันทํางานได้นะถ้าสติปัญญายัางไม่พออีกไม่รู้หลัก ของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจะเข้าไปแทรกแซงขันแทรกแซงจิตนะเช่นเห็นว่าจิตมันไหลไปเกาะกับอารมณ์ได้ทํำยังไงจิตจะแยกออกจากอารมณนะ์ทําไงจะดึงจิตให้ตั้งมั่นเด่นดวงอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนคิดแต่คำว่าจะทํำยังไงพวกเราเวลาคิดถึงการปฏิบัติในใจลึกๆมีไหมคำว่าจะทํำยังไงมันคิดตลอดนะคิดทุกคนะจะทํายังไงจะทําไงห้ามมันไม่ได้หรอกมันจะคิดนะเพราะมันอยากทํามันคิดว่าทำแล้วถึงจะได้ อย่างปลอบใจตัวเองนะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นพยายามจะทําอย่างนั้นนะพยายามจนสุดสติสุดปัญญานะถึงตรงนั้นนะถึงจะได้ของจริงแต่อาศัยที่เคยพยายามปฏิบัตินะมันเช็นการพัฒนาสติให้เร็วขึ้นสมาธิให้ตั้งมั่นมากขึ้นปัญญาก็มีสะสมไปนะเห็นรูปธรรมนามธรรมก็ทํางานได้เองไอตรงที่เราจงใจปฏิบัติจงใจอยากทํานะนแะ มันค่อยๆฝึกฝนสติสมาธิปัญญาให้เข้มแข็งมากขึ้นมากขึ้นนะถึงจุดหนึ่งสติปัญญาสติสมาธิปัญญามันแก่กล้าขึ้นมาจนมาอัตโนมัติแล้วนะร่างกายพลิกนะพลิกตัวนี่รู้สึกเองเลยไม่ต้องเจตนารู้สึกนะความสุขความทุกข์กุศลอกุศลอะไรเกิดขึ้นที่จิตนัรู้เองเลยโดยไม่เจตนาจะรู้นะนมันสารพัดจะเกิดมันจะรู้ได้เองนี่สติมันอัตโนมัติขึ้นมาแล้วไม่ได้จงใจ แต่ก่อนที่จะอัตโนมัติก็ต้องจงใจมาก่อนเพราะฉั้นการที่เราคิดอยู่นะทํายังไงจะดีทํางไงจะดีแล้วพยายามทานะมันได้พัฒนาสติสมาธิปัญญาขึ้นมาทําไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งก็พบว่าทำยังไงมันก็ดีก็ไม่ถาวรสุขก็ไม่ถาวรสงบก็ไม่ถาวรตัวผู้รู้ก็ไม่ถาวนะตัวผู้รู้เกิดได้ก็กลายเป็นตัวผู้คิดได้หรือกลายเป็นตัวผู้เพ่งได้ มีแต่ของไม่ถาวรก็พยายามพยายามนะอยากจะให้ดีถาวรสุขถาวรสงบถาวรถามใจของพวกเราดูที่เราปฏิบัติเราอยากได้ตรงนี้ใช่ไหมอยากได้มรรคผลนิพพานนะจริงๆเพราะอะไรมรรคผลนิพพานมันน่าจะดีถาวรมันน่าจะสุขถาวรมันน่าจะสงบถาวรเราอยากได้สิ่งเหล่านี้นะถ้ามีสติปัญญามากก็อยากได้มรรคผลนิพพานเพื่อจะดีถาวรสุขถาวรสงบถาวร ถ้าโงอกกว่านั้นนัก็ไปทําสมาธิทําอะไรขึ้นมามันก็ดีเหมือนกันนะดีช่วงที่มีสมาธิอยู่สงบช่วงที่มีสมาธิอยู่สุขช่วงที่มีสมาธิอยู่มันเสื่อมแล้วก็หายไปอีกต้องมาทําอีกนะนี่ก็แล้วแต่สติแล้วแต่ปัญญาบางคนก็อยากได้มากผล น, นิพพานก็เพราะว่ามันดีมันสุขมันสงบนั่นแหลนะนนี้ตะเกียกตะกายนะหาสิ่งเหล่านี้ไปเรื่อย คิดว่าถ้าเราฝึกได้ดีเต็มที่แล้ววันหนึ่งจิตเราจะดีถาวรสุขถาวรสงบถาวรแล้วคิดไปจิตมันเรานั่นแหละคิดจะทํามันให้ดีให้ได้คิดจะทํามันให้สุขให้ได้คิดจะทําให้มันสงบให้ได้ดีช่วคราวสุขชั่วคราวสงบชั่วคราวก็ไม่พอใจจะเอาถาวรสุดท้ายเนี่ยภาคเพียนล้มแทบล้มแทบตายนะก็พบว่าดีก็ชั่วคราวสุขก็ชั่วคราวสงบก็ชั่วคราว จิตผู้รู้ก็ชั่วคราวอะไรอะไรก็ชั่วคราวหมดเลยไม่เห็นมีตรงไหนเลยที่มันจะถาวรได้นะจิตยอมรับความจริงตรงนี้ได้จิตถ้าหมดแรงดิ้นนะจะดิ้นไปทําไมอะ่ะดิ้นหาดีหาสุขหาสงบดิ้นยังไงก็ไม่มีมีก็มีชั่วคราวเดี๋ยวว่าหายไปอีกนะนี่จิตจะหยุดแรงดิ้นนะหมดแรงดิ้นน ะ, ะจิตที่หมดแรงดิ้นเพราะว่าดิ้นมาสุดขีดแล้วนะสติก็สุดขีดแล้วสมาธิก็สุดขีดแล้วปัญญาก็สุดขีดแล้ว สติสุดขีดก็คือไม่เจตนาจะรู้ ร, รู้รู้ทั้งวันเลยรู้ทั้งคืนด้วยสมาธิก็จิตตั้งมัน่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้อยู่อย่างนี้ไม่เป็นผู้หลงนะอย่างมากก็หลงแวบๆก็กลับมาเป็นผู้รู้อย่างรวดเร็วจะทําสมาธิให้มากกว่านี้ก็ไม่รู้จะทําไงจะทําสติให้มากกว่านี้ก็ไม่รู้จะทําไงจะเจริญปัญญาให้มากกว่านี้ก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะมันจนมุมไปหมดเลย คืสติก็ทํามาจนไม่รู้จะทํำยังไงนะสมาธิเขาทาจนไม่รู้จะทําไงปัญญาก็ไม่รู้จกพลิกแปลงไปพิจารณาอะไรอีกต่อไปแล้วเนี่ยจิตถ้าภาวนามาสุดขีดนะมันจะเข้ามาสู่ภาวะแห่งความจนมุมเนะี่ยมันจะหยุดแรงดิ้นเลยมันจะหมดความอยากว่าทํายังไงจะพ้นทุกข์ได้ทําไงจะสุขถาวรทําไงจะดีถาวรทําไงจะสงบถาวรเพราะมันดิ้นมาจนสุดฤทธิสุดเดชแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงทําไม่ได้สักทีนะ ถ้าจิตหมดแรงดิ้นจิตก็สักว่ารู้ว่าเห็นตรงนี้แหละสักว่ารู้ว่าเห็นขึ้นมาอย่างที่พวกเราพูดว่าสักว่ารู้ว่าเห็นไม่จริงหรอกไม่ยอมสักว่ารู้ว่าเห็นเรามีแต่ว่าทํายังไงจะดีกว่านี้อีกทําไงจะดีทําไงจะดีทําไงจะถูกรู้สึกไหมแต่ละวันนักปฏิบัติตื่นนอนก็คิดวันนี้จะทำไงดีมคิดอย่างนี้แหละจนกระทั่งมันสดสติสดปัญญาทําไงมันก็ดีกว่านี้ไปไม่ได้แล้วยอมรับสภาพมันจิตหมดแรงดิ้น จิตหมดความปรุงแต่งหมดแรงดิ้นรนนะพอจิตไม่มีความปรุงแต่งไม่มีความดิ้นรนนะอยู่ตรงนี้ช่วงหนึ่งนะบางคนก็อยู่15้าวันอะไรเงี้ยอาจจะมากกว่านั้นน้อยกว่านั้นไม่ได้เปิดสัมภาษณ์สัที <c oughs> จิตมันหมดแรงดิ้นกนะ็ไม่ปรุงอะไรเกิดขึ้นก็แค่รู้อะไรเกิดขึ้นก็แค่รู้ไม่ปรุงต่อนะจิตก็เรียกว่าจิตเข้าถึงความเป็นอนุโลม อนุโลมยานหมายถึงว่าอะไรเกิดขึ้นก็คล้อยตามมันไปนะคล้อยตามเนี่ยไม่ใช่หลงตามมันไปก็แค่เห็นนะเออก็มีขึ้นมาเออหายไปก็แค่นั้นเองนะไม่ต่อต้านไม่หลงตามไปยอมรับมันมาก็มามันไปก็ไปเนี่ยจิตมีอุเบกขาอย่างแท้จริงเลยนะคล้อยตามทุกสิ่งทุกอย่างก็เห็นนะเห็นแต่ความจริงอะทุกอย่างมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปไม่จิตเห็นอยู่แค่นี้เองนะนี่ถ้าจิต สติสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญ า, า, ญญาบุญบารมีอะไรแก่รอบแนละ้วจิตอยู่ความปรุงแต่งแล้วมันจะรวมข้ออัปนาสมาธิรวมเองทำไมมันรวมข้ออับปนาสมาธิได้เองเพราะว่าจิตไม่ไหลไปตามกามนะชาญมันจะเกิดเองโดยธรรมชาติของจิตเนี่ยต้องเวียนอยู่ในภพภพที่จิตเวียนอยู่ได้นะมีสามภพเท่านั้นหนึ่งกางมาวจจะภพภพที่เวียนไปในกามคือหา อารมณ์เพลิินไปทางตาหูจมูกลิ้นกายเพลินไปเรืยพวกเราจิตหมุนอยู่ติ้วติ้ ว, วทางตาหูจมูกลิ้นกายนึกออกไหมอันนี้แหละเรียกว่าการมาพบนะเรียกให้เต็มยศนะการมาวัาจระภูมินะใชก็ไปเบียนอย่างเงี้ยถ้าหลุดออกจากการมาพบนะก็เข้าไปรูปประพบหรือรูปประภูมินะก็คือไปสงบอยู่กับการรู้รูปเช่นรู้ลมหายใจแล้วจิตไม่เอาแล้วโลกข้างนอก อารมณ์ทางตาหูจมูกล ok ิ้นกายไม่เห็นจะมีสาระเลยจิตมารวมลงที่อารมณ์ภายในอันเดียวอาจจะมารู้ลมหายใจอยู่อันเดียวรู้ร่างกายอยู่อันเดียวอะไรเนี้ยมาเพ่งรูปอยู่อันเดียวเพ่งดวงกสินดวงนิมิตอยู่อันเดียวถ้าจิตเพ่งรูปอยู่เรียกรูปประภูมินะถ้าจิตไม่อยู่ในกรมาภูมิไม่อยู่ในรูปประภูมิจิตก็ต้องเข้าอรูปประภูมิทิ้งรูปไปแล้วไปอยู่กับนามธรรมเช่นไปอยู่กับความว่างจิตอยู่ในความว่างอยู่กับความไม่มีอะไรเลย งั้นที่เขาสอนภาวนาบางคนสอนภาวนาให้ไปอยู่ในความว่างนั้นเพี้ยนนะไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้ามันก็เป็นอรูปประพุ่มเป็นภูมิอีกภูมิหนึ่งเป็นภพอีกภพหนึ่งเท่านั้นเองนี่ถ้าสติปัญญาเราพอนะเรารู้เลยจิตมันแส่ายออกทางตาหูจมูกลิ้นกายมีแต่ทุกขนะ์จิตไม่แส่ใสจิตไม่แส่ายจิตก็หลุดออกจากการประพุ่มเข้ารูปประพุ่มหรืออรูปประพุ่มเข้าเองเลย นะเพราะงั้นอย่างพวกเรานะหัดเจริญสติไปเรื่อยพอศีลสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญ า, า, า, าแก่รอบนะจิตจะหมดความอะไรหลงไหลนะรูปเสียงกลิ่นรสปวดสะพ้าพทั้งหลายมาดึงดูดจิตไหลไปไม่ได้แล้วอย่างน้อยก็ชั่วขณะชั่วขณะเท่านั้นแหลนะชั่วขณะและจิตมันตั้งมัน่นรู้ไหลเอาไว้ทุกขตั้งเด่นดวงจิตก็เข้าเข้าฌานอัตโนมัติ เพราะงั้นถึงเราจะเจริญสติจเจริญปัญญาโดยเข้าฌานไม่เป็นถึงนาทีสุดท้ายที่จะเกิดอริยามรรคอริยผลในทุกขั้นตอนตั้งแต่โสดาปติมมรรคจนถึงอรหัตมรรคจิตจะเข้าฌานของเขาเองจิตจะเข้าฌานของเขาเองยกเป็นคนซึ่งเดินปัญญาอยู่ในฌานเวลาที่จะเกิดอริยามรรคเนี่ยไม่ต้องถอยออกมาอยู่กับโลกก่อนนะไม่ต้องกลับมาอยู่กรรภูมิก่อนนะจิตก็ไปตัดอยู่ข้างในได้เลยนะ นี่เป็นพวกหนึ่งแต่รวมความก็คืออริยมรรคไม่เกิดอยู่ในจิตที่อยู่ในกามอย่างพวกเราอริยมรรคจะต้องเกิดอยู่ในรูปประภูมิหรืออรูปประภูมินะจะเกิดอยู่ตรงนั้นไปล้างกันตรงนั้นเพราะ้นจิตจะเข้าฌานอัตโนมัติพอจิตเข้าฌานแล้วครั้งนี้สติระลึกรู้อยู่ที่จิตนะไม่ได้เจตนานระลึกมันรู้เองเพราะมันไม่แส่สายออกไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจและไม่แส่สายไปในความคิดมันก็หยุดตรงที่จิตตรงเดียว สติอย่างลงที่จิตจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตเราั้นสมาธิเนี่ยเต็มสมบูรณ์แล้วตั้งมั่นอยู่ที่จิตสติสมบูรณ์แล้วระลึกอยู่ที่จิตปัญญาสมบูรณ์แล้ว <c oughs> เห็นความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่เคลื่อนไหวอยู่ในจิตตรงนี้แหละจิตจะไหวตัวขึ้นมาสองสามขณะคือปรุงขึ้นมานะแต่ไม่รู้ว่าคิดอะไรไม่รู้ว่าปรุงอะไรมีความปรุงแต่งเกิดขึ้นแต่ไม่รู้ว่าปรุงอะไรนะ จะเห็นแต่ว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดับไปจะเห็นอย่างนี้เองเห็นเองถัดจากนั้นนะจิตจะรู้เลยมันไม่มีสาระนะจิตมันจืดนะมันไม่เอาอีกแล้วแค่แค่เห็นความปรุงภายในจิตผุดขึ้นพอเห็นความปรุงภายในจิตผุดขึ้นสองสามขณะนะความเป็นกลางอย่างแท้จริงเลยรู้อย่างเป็นกลายอย่างแท้จริงเลยไม่ปรุงต่อนะจิตจะวางพอมันวางแล้วมันจะทวนกระแสเข้าห า, าธาตุรู้ะ วนกระแสเข้าหาธาตุรู้วางจิตแล้วทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้นะธาตุรู้กับจิตนั่นแหละเป็นจิตอีกอย่างหนึ่งนะะจิตดวงเก่ามันดับไปจิตที่อยู่ในภพภูมิต่างๆมันดับไปมันทวนกระแสเข้าหาจิตที่เหนือภพเหนือภูมนะิทวนกระแสเข้ามาขณะที่มันปล่อยวางจิตดวงเดิมนะแล้วก็ทวนเข้ามาแต่ยังไม่ถึงธาตุรู้คาบลูกคาบดอกยังเกาะอยู่ในขันนี่คือเกาะไม่ได้เกาะขันแล้วนะ มันไม่ได้เกาะอยู่ที่จิตแต่ก็ยังเข้ามาไม่ถึงตัวธาตุรู้ไม่ถึงอมตะธาตุอมตะธรรมไม่ถึงพระนิพพานธาตุรู้ไม่ใช่พระนิพพานนะแต่ธาตุรู้ไปเห็นพระนิพพานนึงแยกให้ออกมันยังทวนเข้ามาไม่ถึงธาตุรู้ไม่ใช่ปุถุชนไม่ใช่พระอริยะทําไมไม่ใช่ปุถุชนเพราะมันปล่อยขันแล้วขันสุดท้ายที่มันปล่อยก็คือจิตไม่ใช่พระอริยะเพราะยังไม่เข้ามาถึงธาตุรู้ไม่เข้าถึงพระนิพพานตัวธาตุรู้นั่นแหละเป็นตัวไปเห็นพระนิพพาน ตรงนี้นะเรียกว่าโคตรภูยานยานข้ามโคดมีปัญญาข้ามโคดข้ามโคดโคดจากโคดไหนมาสู่โคดไหนจากโคดของปุถุชนมาสู่โคดของอริยชนเพราะงั้นบรรลุมากผลแล้วนะเปลี่ยนโคดนะนี่ข้ามจากสกุลของปุถุชนนะมาข้ามมาสู่อริยวงศ์อริยโคดเรียกยานข้ามโคด ไม่ใช่ปุถุชนนะกำลังข้ามอยู่ไม่ใช่พระอริยะมีอยู่ขนาจิตเดียวแหละที่ข้าบลูกข้าบดอกประหลาดอยู่อย่างเงี้ยนะข้ามมาทวนเข้ามาถึงจิตแท้ถึงธาตุวิน ญ, ญานธาตุธาตรู้แทนะ้แล้วธรรมธาตุตัวนี้อริยมรรคก็จะเกิดขึ้นนะอาสะวะกิเลส ท, ที่ห่อหุ่มจิตอยู่เถูกอาสะวะถูกอริยมรรคแหวกออกนะแหวกออกทําลายออกา็นะ ล, ล้างกิเลส ล้างในพริปตาเดียวในขณะเดียวนะวับเดียวเลยขาดเลยนะม่นคล้ายๆเปิดสวิตไฟปั๊บสว่างวูบเดียวความมืดหายไปเลยนะในพริปตานั้นเลยเนะทิดจากจัดนั้นนะจะเห็นพระนิพพานอีกสองสามขณะนะเห็นไม่เท่ากันหรอกบางคนเห็นสองขณะบางคนเห็นสมขณะนะถ้าพรวกอินทรีย์กล้ามากๆก็ เ, เห็นสมขณะพรากอินทรีย์ยังไม่กล้ามากก็ เ, เห็นสองขณะนะ งั้นพระอริยะในภูมิทำอันเดียวกันนะระดับเดียวกันนะความรู้ความเข้าใจไม่เท่ากันความแจกฉานอะไรเนี่ยไม่เท่ากันเห็นพระนิพพานนิก็รู้นิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตานิพพานไม่เคยหายไปไหนอยู่ต่อหน้าต่อตานี่แหละแต่โง่เองไม่เห็นทําไมไม่เห็นนะมัวจะเห็นแต่กลามมัวแต่เห็นรูปประพบมัวจะเห็นอรูปประพบ จิตไม่รู้จักปล่อยตรงที่เขาปล่อยอะนะเขข้ามแล้วเขาทิ้งแนละตรงโคตระปูยาณที่จิตข้ามโคตรนะ่ะข้ามจากปุถุชนมาเป็นพระยะข้ามทิ้งตรงนี้มันทิ้งหมดเลยนะมันทิ้งกรรมมาภูมิรูปประภูมิรูปประภูมิมปปมทิ้งหมดเลยมันข้ามมาสู่อริยภูมิโลกุตตะละภูมนะิข้ามเองในี่พวกเราก็มีหน้าที่ภาวนาให้มันพอเท่านะนะั้นแหละถ้ามันพอเมื่อไหรมันก็ข้ามโคตรไปเปลี่ยนสกุลนะ ก็ไม่ใช่ไม่ใช่นามสกุลเดิมทางโดยสมมติบัญญัติก็เป็นนามสกุลเดิมโดยประมัิแท้ๆก็ไม่ใช่แล้วแ้วมาเป็นลูกพระพุทธเจ้าไม่งันพระพุทธเจ้าเวลาท่านพูดถึงพระริยะท่านจะบอกลูกของเราอย่างนางวิสาขานี้ก็ลูกเราอนาถิานทิกาก็ลูกเราทาไมมีเราด้วยเราโดยโูหารพูดให้คนอื่นรู้ ความจริงเป็นเนื้อแท้อันเดียวกันเป็นธรรมธาตุเดียวกันจิตจะทำนันอันเดียวกั น, นะรร น, กนนะค่อยภาวนาไปเป็นลําดับลําดันา้นต้องตัดสี่ผลตัดคั้งที่หนึ่งนะพอจิตออกจากอริยผลที่เห็นนิพพานสองสามขณนะจิตจะกลับมาสู่กามาวชจจเรปุ่มอย่างที่พวกเราอยู่นี่เลนะจิตจะถอยออกมาเลยนะถอยออกมามจะทวนกระแสะพิจารณา ว่าเมื่อกีย้ล้างอะไรไปแล้วอะไรยังอยู่อะไรล้างแล้วะทวนเข้าทวนออกไปพิารณานี่พวกเราบางคนนะต้องระวังนะอยู่ๆนึกว่าเป็นพระอริยะไม่มีกระบวนการที่อริยมรรคเกิดอยู่ๆก็นึกเอาเองได้แล้วได้แล้วงั้นต้องดูจริงๆนะสังเกตกิเลสให้ดีนึกว่าได้มรรคได้ผลแนละดูกิเลสให้ดีอย่าเข้าข้างตัวเองนะ อย่าให้จิตไปติดอยู่ในภพใดภพหนึ่งแตอย่าพ้ออย่าให้จิตไปติดในรู ป, ประภพมารูปภพติดในความนิ่งความว่างนะประคองจิตนิ่งเนียงเนียงแล้วบอกดูมาสามวันสามคืนเจ็ดวันเจ็คืนไม่มีกิเลสเลยโทษก็อยู่ตรงนี้กันเป็นกลับกับไม่กิเลสไม่โผล่ใช้ไม่ได้นะเพราะฉะ้ถ้าอยากรู้ว่าล้างกิเลสได้หรือไม่ได้นะกลับมาอยู่ในกา마วาจะจารพบเนี่ยมาใช้จิตของมนุษย์ธรรมดาเนี่ย บางคนจิตเป็นพระอริยะนี่ยนึกว่าเป็นพระอริยะบอกสิ่งแรกเลยต้องดูก่อนเลยจิตไปค้างอยู่ในภพละเอียดภายในหรือเปล่าถ้าจิตไปค้างอยู่ในภพละเอียดภายในเชื่อไม่ได้นะเชื่อไม่ได้ไม่มีกิเลสก็เชื่อไม่ไดนะ้เพราะว่ากิเลสหยาบมันไม่มีโอกาสเกิดถ้าจิตมันหลุดออกมาอยู่ข้างนอกนี่ไม่ติดอยู่ในฌานสมาบัติอันใดนะกิเลสจะเกิดไม่เกิดเดี๋ยวก็รู้เองแหละนะั้นเราไม่มีพระพุทธเจ้ามารับรองเรานะ ว่าใครได้ภูมิธรรมชั้นไหนชั้นไหนเราเอาหลักสูตรของพระพุทธเจ้าหลักสูตรพระพุทธเจ้าก็คือท่านจะมาดูว่ากิเลสอะไรละแล้วกิเลสอะไรยังเหลืออยู่แต่ต้องไม่เข้าข้างตัวเองถ้าดูตรงนี้นะเราจะพิสูจน์ตัวเองได้บินยูชนรู้ด้วยตัวเองไม่ต้องให้ใครมารับรองเราเงั้นอยากรู้ว่าเราเป็นธาตุยั้งจริงหรือเปล่านะเนีย่ยประคองจิตให้นิ่งให้เฉยอยู่ปล่อยจิตให้เป็นธรรมชาติเลยดูซิกิเลสจะเกิดไหม งานสิ่งสําคัญนะเราไม่ใช่ว่าใครมารับรองเรานึกว่าได้แล้วก็ไปดูกิเลสเรามีจริงหรือเปล่านะต้องดูตอนมันเผลอตอนมันเผลอนะนั้นไม่ได้ควบคุมไม่ได้ระมัดระวังตัวกูมยังโปรยอยู่ไหมหรือว่าเป็นพระอราหารนะันต์แล้วไปดูให้เดี่ยจิตอยู่ในภพใดภพหนึ่งหรือเปล่าถ้าจิตยังอยู่ในภพใดภพหนึ่งไม่ใช่หรอก อย่างจิตไปอยู่ในความว่างจะ ต, ต้องอยู่ในว่างคิดว่าว่างเท่านั้นเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ใช่หรอกพระอรหันต์ไม่ได้อยู่ที่ใดไม่ได้อยู่ที่หนึ่งที่ใดงไม่ใช่ว่าไปอยู่แบบนี้ถึงจะเป็นไปอยู่แบบนี้ถึงจะเป็นจิตท่านไม่มีอะไรยอมได้เท่านั้นเองงั้นเราภาวนานะหัดไปเรื่อยถึงวันหนึ่งเราก็คงได้รับผลประโยชน์จากการที่เราอดทนภาวนากันเชิญไปทานข้าว